นวโกวาดวินัยบัญญัติอนุศาสตร์8ดอย่างนิสัยสอาัการณียกิจ4ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกนิสัยมีสอย่างคือเที่ยวบินทบาทนุ่งห่มผ้าบางสุกุลอยู่โคนไม้ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่ากิจที่ไม่ควรทำ เรียกอาการณียกิจมีสี่อย่างคือเศษเมตุนลักษณ์ของเขาฆ่าสัตว์พูดอวดคุณะพิเศษที่ไม่มีในตนกิจสี่อย่างนี้บรรพชิตทำไม่ได้สิกขาของภิกษุมีสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย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 ปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎและทุกภาสิทธิาราชิกนั้นภิกษุต้องเข้าแล้วขาดจากภิกษุสังฆาทิเศตนั้นต้องเข้าแล้วต้องอยู่กรรมจึงพ้นได้อาบัตอีกห้าอย่างนั้นภิกษุต้องเข้าแล้วต้องแสดงต่อหน้าสงฆ์หรือคณะ หรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจึงพ้นได้อาการที่ภิกษุจะต้องอาบัตเหล่านี้หกอย่างคือต้องด้วยไม่ละอายต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัตต้องด้วยสงสัยและขืนทําลงต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรและต้องด้วยลืมสติ ข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามซึ่งยกขึ้นเป็นสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์หนึ่งและไม่ได้มาในพระปาฏิโมกข์อีกหนึ่งสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์นั้นคือปาราชิกสี่สังฆทิเสสิบสามอนิยตะสองนิสักขิยปาจิตตีสามสิบปาจิตตีเกสิองปาติเทสนิยะสี่ เสขิยะ75รวมเป็น220นับทั้งอธิกรณะสมถะด้วยเป็น227